บัดนี้จักได้แสดงธรรมะกราสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดในหัวข้อที่หกนี่กล้าเพียงดังก่าพระพุทธภาสิท ธ, ธีพระองค์ได้ตรัสไว้มีความว่าสุชีวัง อาหิริเกณนะกากะสสเรณนะทังสินาปกขันทินาประคับเพนะสังกิริเทนะชีวิตังหิริมัตาจตุชีวังนิจจังสุจิขเวสินาอรีเนนาประคับเพนะสุทธาชีเวนะปัสตาแปลว่าคนไม่มีหิริกล้าดังเพียงกามีปกติ กำจัดคุณของคนอื่นเล่นไปเอาหน้าขนองกายวาจาเป็นผู้เศรมองย่อมอยู่ย่อมเป็นอยู่ง่ายส่วนคนมีริสแวงหากมอันสะอาดอยู่เป็นนิดไม่หดหูไม่ขนองกายวาจาเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่บริสุทธิ์เห็นอาชีวะหมดจดว่าเป็นสาระย่อมเป็นอยู่ยาก ข้อความที่ว่าไม่มีหิรินั้นคือไม่มีความละอายต่อบาปทุจริตไม่เกรงกลัวต่อบาปทุจริตกลับเห็นบาปทุจริตเป็นสิ่งพึงทําเพื่อการคลองชีพข้อว่ากล้าเพียงดังกล่ารนั้นคือกล้าลักขโมยช่อชนด้วยเล่กลนต่างๆอุปมาเหมือนกาทําเป็นไม่สนใจในเนื้อหรือปลาที่ชาวบ้านตากไว้นิ่งเฉยเสีย แต่พอเจ้าของเผือกก็โฉบลงไปโดยพันจับเอาก้อนเนื้อหรือชิ้นปลาเต็มปากแล้วบินไปชั้นใดคนกล้าเพียงดังกาก็ชั้นนั้นอาจทาทีเป็นไม่สนใจต่อเงินทองบางอย่างในเมื่อไม่มีโอกาสแต่พอมีโอกาสทุจริตเมื่อใดก็ทำทุจริตทันทีสำหรับบรรพชิตนั้นพระอัจฉ า, าจารย์พรรณนาไว้ว่า เข้าไปในบ้านกับภิกษุทั้งหลายกำหนดที่ตั้งของอาหารวงเล็บเมื่อภิกษุผู้มีความละอายเที่ยวบินทบาตในบ้านได้อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปแล้วไปสู่โรงฉันพิจารณาแล้วดื่มยาขู่แล้วทำกรรมฐานไว้ในใจสาธยายพระพุทธพจน์ปัดกวาดโรงฉัน ส่วนบุคคลผู้กล้าเพียงดังกาไม่ทำอะไรมุ้งหน้าตรงไปยังบ้านเข้าไปสู่เรือนพักหลังหนึ่งในบรรดาเรือนที่กำหนดไว้แล้วเมื่อชาวบ้านแง้มประตูไว้ททำการงานของตนอยู่เอามือข้างหนึ่งผลักบานประตูเข้าไปข้างในเจ้าของเรือนเห็นภิกษุนั้นแล้วแม้ไม่ปรารถนาก็นิมนต์ให้นั่งบนอาสนะถวายข้าวยาคูที่ตนมีอยู่ เขาบริโภคตามต้องการแล้วถือเอาส่วนอื่นอีกแล้วหลีกไปบุคคลอย่างนี้เรียกว่ากล้าเพียงดังกาข้อว่ามีปกติจำกัดคุณของคนอื่นนั้นคือเมื่อได้ฟังใครคนหนึ่งสรรเสริญคุณของคนอื่นเขาเรียบพูดขึ้นทันทีว่าก็เราไม่มีคุณเช่นนั้นหรือคุณอย่างนั้นของเราก็มีและมีมากกว่าคนโน้นเะอีกดังนี้เป็นต้น รวมความว่าเป็นผู้มีปกติริษยาและยกตนข่มผู้อื่นโอ้อวดและมายาข้อว่าเล่นไปเอาหน้าความว่าเป็นผู้ชอบทำให้คนทั้งหลายเข้าใจว่างานไรๆที่สำเร็จลงก็เพราะตนแม้งานที่คนอื่นทาแท้ๆก็โฆษณาว่าตนเป็นผู้ทำหรือเป็นต้นเหตุให้ทำเขาจะทำอะไรสักอย่างก็ต่อเมื่อมีคนเห็น มีคนคอยยกย่องสรรเสริญได้หน้าได้ตาข้อว่าขนองกายวาจานั้นคือขาดความสงบเสงี่ยมเจียมตนขาดความสังวรทางใดเป็นทางได้ลาบสการะชื่อเสียงแล้วเขาทำได้ทุกอย่างแม้ต้องทำลายคนอื่นผู้สุดจริตเขาก็ทำการดำเนินชีวิตตามศิลธรรมนั้นไม่มีความหมายสำหรับคนเช่นนี้ ข่อว่าเป็นผู้เศร้าหมองคือมีชีวิตอยู่ด้วยกรรมอันเศร้าหมองได้แก่ทุจริตกรรมอเนสนากรรมคือการสแสวงหาปัจจัยในทางอันไม่สมควรบุคคลไม่ว่าบรรพชิตหรือค้าหัสซึ่งมีลักษณะดังกล่าวมาพระาศาสดาตรัสว่าเป็นอยู่ง่ายส่วนบรรพชิตหรือค้าหัสผู้มีลักษณะตรงกันข้ามคือมีหิริมีความซื่อตรง ไม่กล้าทาธุจริตมีปกติยกย่องคุณของคนอื่นไม่เอาหน้าไม่ขนองกายวาจาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมสะอาดคือสุจริตเป็นอยู่ยากท่านผู้อ่านคงมองเห็นได้ในปัจจุบันว่าคนสุจริต จ, จริงๆซื่อตรงจริงๆในการประกอบอาชีนั้นร่ารวยยากเพียงใดแต่พวกทุจริคตคดโกงช่อราบบางหลวงร่ารวยง่ายและเร็วคนสุจริตบางคนทนอยู่ยาก วงเล็บคืออยู่อย่างยากจนไปตลอดชีวิตส่วนคนทุจริตถ้าได้จังหวะเหมาะเพสองสามปีก็รวยแต่อย่าลืมว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งโทษและรางวัลมันไม่ได้หยุดลงเพียงเท่าที่เราเห็นมันจะต้องสืบต่อไปในภายหน้าหรือในโลกหน้าอีกด้วยคนที่โกงเข้ามารวยแล้วล่มจมภายหลังก็มีและหน้าเป็นห่วงชาติหน้าอย่างยิ่ง คนประกอบอาชีพสุจริตแม้จะไม่รวยเร็วหรือมากอย่างคนทุจริตแต่ก็พออย่างชีพอยู่ได้และสบายใจไม่ต้องนอนสะดุง้งไม่ต้องวันภัยทั้งในชาตินี้และชาติหน้าระยะเวลาของชาติหน้ายาวกว่าชาตินี้มากเพราะฉะนั้นผู้มีสายตาไกลจึงน่าจะเลือกสุขในชาติหน้ามากกว่าคนเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงระยะเวลาอันสั้น เพียง60ปีหรือ100รปีแต่ชีวิตในนรกหรือในสวรรค์เขาอยู่กันเป็นพันปีหมื่นปีชีวิตของมนุษย์ในโลกมนุษย์ถึงจะร่ำรวยอย่างไรก็เจืออยู่ด้วยทุกขมากกว่าสุขบางคนยิ่งรวยมากก็ยิ่งทุกมากตามความเห็นของข้าพเจ้าเองว่าคนรวยมากก็ทุกมากคนจนมากก็ทุกมากคนที่ทุกน้อยคือคนกลางๆไม่รวยไม่จน จะเรียกว่าคนรวยก็ไม่ได้จะเรียกว่าคนจนก็ไม่เชิงทิฏฐธรรมิกะทะประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นประโยชน์ในปัจจุบันนั้นข้าพเจ้าคิดว่ามิได้หมายความว่าค น, นดําเนินตามนั้นแล้วจะต้องรวยทุกคนแต่น่าจะหมายความว่าผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นนั้นย่อมจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบันรวมความว่าถ้าจะมีคนถามว่าควรจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างไร ก็ทรงตอบว่าควรมีความขยันหมั่นเพียรในการหาทรัพย์ในการรักษาทรัพย์รู้จักคบคนดีเป็นมิตรและรู้จักใช้ทรัพย์ให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนข้าพเจ้ายังไม่เคยพบว่าทรงยืนยันว่าทำสี่อย่างนี้ทําให้คนรวยได้ทุกคนในชีวิตจริงเราจะพบว่าคนบางคนทํางานหนักมากประกอบด้วยธรรม ทั้งสประการครบถ้วนและไม่ข้องแวะด้วยอบายยมุกใดๆเลยแต่ก็จนอยู่ตลอดชีวิตตัวอย่างนี้มองเห็นได้ในที่ทั่วไปและบางคนไม่ต้องทํางานหนักถึงขนาดนั้นแต่ก็รวยได้จริงอยู่งานมีอยู่หลายประเภทหลายระดับชั้นคืองานที่ออกแรงกายการใช้สมองและการรับผิดชอบงานทั้งสามประเภทนี้หนักเกือบเท่าๆกันแต่หนักกันไปคนละอย่างและท่านจะเห็นว่า คนที่ถนัดอย่างหนึ่งแล้วจะไปทำอีกอย่างหนึ่งได้ไม่ค่อยดีเช่นคนที่ถนัดทางแรงกายเมื่อให้ทำงานที่ต้องใช้สมองหรือรับผิด ช, ชอบก็จะทำไม่ได้ส่วนคนที่ถนัดทางใช้สมองเมื่อต้องใช้แรงกายก็ทาไม่ค่อยไหวเหมือนกันดูมันว่าความรวยความจนจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่างนอกจากการทำงานหนักตามความถนัดของแต่และคนแล้วขอยุติการพูดเรื่องนี้ไว้ก่อน เพราะมีเรื่องพูดมากอยู่มันกันเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เฉตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภสัิวิหาริกของพระสารีบุตรชื่อจุระสารีมีเรื่องย่อดังนี้ความว่าวันหนึ่งพระจุระสารีธรรมเวชกรรมเวชกรรมคือการรักษาโรคด้วยยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรงห้ามไว้ในพระวินัยมิให้ภิกษุประกอบเวชกรรมแก่ผู้ซึ่งม่ใช่ญาติและม่ใช่ผู้ปรวรณาทำเวชกรรมได้โภชนาอันประนีตมาแล้วได้พบพระสารีบุตรในระหว่างทางจึงเรียนท่านว่าท่านขอรับกระผมทำเวชกรรมได้โภชนานี้มาแล้วท่านจะไม่ได้โภชนาอันประนีตเช่นนี้ในที่อื่นขอท่านจงรับโภชนานี้ไว้ ผมจะทำเวชกรรมนำอาหารอย่างนี้มาถวายท่านเนืองนิดพระเทระฟังคำของพระจุระสารีแล้วเฉยเสียหลีกไปภิกษุทั้งหลายกลับมาสู่วิหารแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบุคคลผู้ไม่มีความละอายผู้ขนองเป็นเช่นกับกาตั้งอยู่ในอเนสนาคือการสแสวงหาอันไม่สมควร 21อย่างย่อมเป็นอยู่ง่ายส่วนบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตปะย่อมเป็นอยู่ยากดังนี้แล้วตัดพระคาถาซึ่งยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าสุชีวังฮิริเกณะเป็นอาธิมีนยะดังพนานนามาแล้วนั้นคนที่ขาดความละอายเนี่ยก็จะคิดไม่ออกว่าการกระทำของตนเองนั้นผิดหรือถูกอย่างไรเนี่ย ขอให้ได้มาตามที่ตนเองต้องการเนี่ยก็พอใจแล้วแต่ผู้ที่มีฮิริเบอตะปะมีความละอายอย่างที่ท่านยกตยกัวอย่างว่าภาษารีบุตรท่านได้ยินแล้วท่านพูดไม่ได้ก็เลยเฉยเสียเนี่ยเพราะมันละอายแทนเพางั้นแต่ท่าพูดภาษาเราสแสดงออกมาขนาดนั้นมึงคนฟังก็อายแทนแล้วไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปอีกได้เนี่ยแต่คนทำนั่นก็ไม่รู้สึกเนี่ยท่านจว่า ก้าเพียงดังกาขาทิริขาดโอตรประทั้งคารือหัดทางบรรพชิตก็คล้ายๆลยกันพะเป็นความประพฤติถ้าทางวินัยก็ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นอาบัติตั้งแต่ทุกกฏเป็นลำดับขึ้นไปถึงปาจิตติเจ็ดขุดรากของตนพระพุทธภาสิท โยปาณมติมาเปติสุสาวันจะาสติโลเกอธินังอาทิยติประธารัญจักชติสุราเมระยะปานัญจะโยนโรอนุยนชติอิเทวเมโสโลกัตสมิงมุลังขันติอัตโนเอวังโภปุริสะชานาหิปาปธรรมาอสัญญาตา มาตังโลโพอาธรรมโมจะจิรังทุกขายะรันทะยุงแปลว่าผู้ใดฆ่าสัตว์กล่าวเท็จลักขโมยประพฤติผิดในกามกับภรรยาของผู้อื่นประกอบเนืองเนืองซึ่งการดื่มสุราเมรยัยผู้นั้นชื่อว่าย่อมกุดรากของตนในโลกนี้ดูก่อนคนท่านจงทราบว่าความไม่สำรวมเป็นบาปธรรมความโลภและอาธรรมอย่าได้ย่ายีท่าน เพื่อทุกตลอดกาลนานเลยในที่นี้ทรงแสดงว่าผู้ล่วงศิลหะหนึ่งเนืองชื่อว่าเป็นผู้ขุดรากของตนคือทำตนเป็นผู้ประสบความเสื่อมตั้งตนไม่ได้ในโลกนี้เป็นผู้ล้มเหลวทั้งทางทรัพย์สินและทางศีลธรรมจะอธิทบายโดยสังเขป1การฆ่าสัตว์องแห่งปาณาติบาตนั้นท่านแสดงไว้หคือ 1. นสัตว์มีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต 3. มีจิตคิดจะรัก 4. พยายามเพื่อฆ่า 5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้ น, เ, นเมื่อครบองห้านี้แล้วสินข้อปณาฏาิบาติชื่อว่าขาดถ้าไม่ครบองค์สินนั้นด่างพร้อยทะลุเข้าขั้นการเบียดเบียนเช่นทำให้สัตว์เจ็บแต่ไม่ถึงตายหรือใช้งานหนักเกินไปก็อยู่ในข่ายของการเบียดเบียนเหมือนกัน ตามนยะแห่งจุลกรัรมมวิพังคสูตรท่านว่าโทษแห่งการฆ่าสัตว์นั้นทำให้ต้องตกนรกหรือมีอายุสั้นพลันตายโทษแห่งการเบียดเบียนสัตว์ทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บมากการฆ่าสัตว์จะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ5้าอย่างคือ 1. เจตนา 2. ความพยายาม 3. สัตว์มีคุณมากหรือน้อย 4. ความใหญ่หรือเล็กของสัตว์ ถ้ามีเจตนาแรงมีความพยายามมากและสัตว์มีคุณมากย่อมบาปมากถ้าสัตว์มีคุณน้อยก็บาปน้อยองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าหย่อนลงมาบาปก็น้อยลงมาตามลำดับคนฆ่าพ่อแม่และผู้มีบุญคุณแก่ตนหรือมีคุณแก่สังคมจึงบาปมากถึงขั้นอนันตริยกรรมคือกรรมหนักที่สุดฝ่ายอากุศลคิดดูแล้วเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตชีวิตของเรา เรารักฉันใดชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็ยอมรักฉันนั้นคิดได้อย่างนี้แล้วผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์หรือคนเรียกว่าเป็นผู้มีศีลผู้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ช่วยเหลือให้พ้นทุกข์เรียกว่าเป็นผู้มีธรรมบางคนมีเมตตามากจนสัตว์ป่าคุณสัตว์ที่ดุร้ายไม่ทาร้ายกลับกลายมาเป็นมิตร การไม่ฆ่าเองแต่ใช้ให้คนอื่นฆ่าก็บาปมากเหมือนกันถ้าคนอื่นไปฆ่าได้สำเร็จตามคําสั่งหรือเจตนานั้นแม้กฎหมายบ้านเมืองก็เอาโทษแก่ผู้สั่งเหมือนกันสองอาทินนาทานแปลตามตัวว่าการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ถือเอาความว่าการขโมยอธทินนาทานมีองค์หาเหมือนกันคือหนึ่งของที่ผู้อื่นหวงแหน สองรู้ว่าเขาหวงแหนสามคิดจะลักสี่มีความพยายามห้าลักได้มาด้วยความพยายามนั้นการขโมยจะมีบาปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสามอย่างคือหนึ่งของมีค่ามากหรือน้อยเขาหวงแหนมากเพียงไรสองของของบุคคลผู้มีคุณมากหรือน้อยสามความพยายามในการขโมยนั้นมีมากน้อยเพียงไรโทษของอทินนาทานคือการต้องตกนรก เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ทําให้ต้องสูญเสียทรัพย์อยู่เนืองเนืองทรัพย์ ส, สมบัติของใครใครก็หวงเพราะเขาต้องลงแรงกายแรงใจหามาโดยความยากลําบากยิ่งคนมีทรัพย์น้อยยิ่งหวงเห็นมากการขโมยทรัพย์ของคนจนบาปกว่าขโมยทรัพย์ของคนรวยเพราะคนจนมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นอยู่แล้วเมื่อถูกขโมยทรัพย์ไปย่อมเดือดร้อนมากพวกวางเพลิงถือว่าเป็นพวกขโมยทรัพย์ที่ร้ายแรงที่สุด พวกหากินทางลักขโมยเป็นพวกน่ารังเกียจดูเหมือนหนึ่งว่าสิ้นปัญญาในการหาทรัพย์โดยทางสุจริตเสียเกียรติของมนุษย์ผู้มีภูมิปัญญาเหนือสัตว์การแย่งชิงทรัพย์ผู้อื่นก็ไม่ใช่กิจของมนุษย์หรือกิจกรรมของมนุษย์โดยแท้มนุษย์เราตามตัวอักษรไปว่าผู้มีใจสูงมีวัฒนธรรมอันดีงามผู้มีวัฒนธรรมคือผู้ที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว การลักขโมยนอกจากทาลายประโยชน์ส่วนรวมแล้วยังเป็นการเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจอีกด้วยเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับผู้มีวัฒนธรรมการลักขโมยเขากินเร็วกว่าการขอเขากินเพราะขโมยเป็นการเบียดเบียนบีบคั้นส่วนการขอเช่นกรรมของพวกขอทานแม้จะไม่ประเสริฐแต่ก็ไม่เป็นการเบียดเบียนบีบคั้นผู้ให้ย่อมให้ด้วยความสมัครใจมีความสุขใจเป็นผลตอบแทน ไม่มีความคับแค้นเมื่อต้องสละวัตถุของตนไปผู้มีใจเป็นมหาบุรุษย่อมยอมสละชีวิตดีกว่าการเลี้ยงชีพด้วยการขโมยบัณฑิตเมื่อเว้นจากการขโมยอันเป็นส่วนศีลแล้วก็ประพฤติ ธ, ธรรมคือการแบ่งปันสงเคราะห์ช่วยเหลือคนที่ควรช่วยเหลือให้เพื่ออนุเคราะห์บ้างเพื่อสงเคราะห์บ้างเพื่อบูชาคุณบ้าง อนุเคราะห์คนต่ำกว่าสงเคราะห์คนเสมอกันและบูชาคุณผู้มีคุณเช่นบุพการีชนและสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบการแบ่งปันเป็นการผูกมิตรชนะศัตรูทำให้คนที่เคยชังให้ชอบทำคนที่ชอบอยู่แล้วให้รักเป็นการเฉลี่ยความสุขส่วนตนให้ผู้อื่นในทางที่ชอบ 3. ากามเมสมิจ ช, ชาจาร์การประพฤติผิดในกาลคือผิด ผิดเมียเขาก่อความสะเทือนใจความเครียดแค้นจิงสั่งให้สามีหรือภรรยาเขาทําให้ครอบครัวเขาต้องแตกร้ากันกินแหนงแครงใจกันบางรายต้องแตกแยกย่าร้างกันทําให้ลูกต้องลำบากพลัดพ่อห่างแม่มีปมด้อยในสังคมต่อไปเมื่อเติบโตขึ้นอันหนึ่งได้มีการฆ่าฟันกันเพราะเหตุนี้ก็มาก บางคนต้องติดคุกติดตารางหรือต้องสูญเสียชื่อเสียงและชีวิตเพราะประพฤติผิดศีลข้อนี้ก็มีศีลข้อนี้เป็นศีลของโลกของสังคมที่มีอาระยธรรมแล้วทำให้สังคมอยู่กันเรียบร้อยโทษของศีลข้อนี้ท่านว่าทาให้เป็นผู้มากเป็นด้วยเวรภัยเราเองไม่ปรารถนาให้ใครมาล่วงเกินภรรยาหรือสามีของเราชั้นใดคนอื่นก็ฉั้นนั้น การไม่นอกใจกันเป็นคุณเครื่องค้ำจุนให้สามีภรรยารักใคร่ปลองดองกันไปตลอดชีวิตข้อบกพร่องอย่างอื่นสามีภรรยามักจะอภัยให้กันได้แต่ข้อบกพร่องเรื่องประพฤตินอกใจนี้มักให้อภัยกันไม่ได้ต้องแตกหักหย่าร้างกันไปมากหากต้องทนอยู่เพราะความจําเป็นอย่างอื่นบังคับก็จําใจต้องอยู่อย่างขมขืนไม่รักใครสนิทสนมอย่างเดิม องคประกอบของการเมสุมิชาจารย์มี4อย่างคืออคัมนิยฐานคือสตรีและบุรุษนั้นอันใครใคไม่ควรล่วงละเมิดสองจิตคิดจะเสพ 3. มีความพยายามสี่สำเร็จด้วยความพยายามโทษของการเมสุมิชาจารย์จะมากหรือน้อยสุดแล้วแต่อคัมภียาวัตถุที่ล่วงละเมิดนั้นมีคุณมากหรือน้อยนักบวชทั้งปวงเป็น อคะมณียวัตถุของคราวาทั้งปวงภรรยาหรือสามีของผู้มีพระคุณเช่นภรรยาหรือสามีของครูเป็นต้นใครไปล่วงละเมิดเข้าก็มีโทษมาก 4. มุสาวาตมุสาวาตคือการกล่าวเ ท, ท็จทั้งๆที่รู้อยู่และการกล่าวนั้นมุ่งหักรานประโยชน์ของผู้อื่นโทษของมุสาวาตจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่ผู้พูดเ ท, ท็จหัการานมากหรือน้อย <Workers. S 2> ถ้าหักรารประโยชน์ของผู้อื่นมากก็มีโทษมากอันหนึ่งมุสาวาทมีโทษมากเพราะผู้ที่หักการประโยชน์มีคุณมากมีโทษน้อยเพราะผู้ถูกหักรานประโยชน์มีคุณน้อยอีกอย่างหนึ่งหากกิเลสและความพยายามอ่อนก็มีโทษน้อยหากกิเลสและความพยายามแรงก็มีโทษมากท่านแสดงวิบากของมุสาวาตว่าทาให้ผู้พูดเนืองๆตกนรก หากเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่ใครๆขาดความเชื่อถือองค์ประกอบของมุสาวาทมี4ีอย่างคือ 1. เรื่องนั้นไม่จริง 2. จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน 3. ความพยายามมันเกิดจากจิตนั้น 4. ผู้อื่นเข้าใจความตามที่ผู้กล่าวเทศต้องการโดยในยะนี้แม้ผู้พูดมุ่งกล่าวเทศแต่ผู้ฟังไม่เข้าใจความหมายมุสาวาทนั้นไม่สาเร็จประโยชน์ตามประสงค์ ศีลความมุสาวาดไม่ขาดตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเวลานี้ว่ามุสาวาตบางอย่างไม่บาปเช่นมุสาวาดที่พูดเพื่อให้คนดีให้เขามีความสุขใจหรือให้กำลังใจแก่เขาแม้จะพูดเกินไปบ้างก็ไม่ก่อผลเสียหายให้กับใครเช่นที่พระสารีบุตรปลอบใจโจรผู้มีคราวแดงเพื่อให้เขาตั้งใจฟังธรรมหรือ หมอบอกคนไข้ว่าขอให้ทําใจดีๆโรคไม่ร้ายแรงอะไรทั้งๆ ท, ที่โรคนั้นอันที่จริงหมอก็รู้ว่าเป็นโรคร้ายแรงรักษาให้หายได้โดยยากอันนี้ก็น่าจะมุ่งประโยชน์ความเสียหายมากกว่าเนี่ยการกล่าวเท็จมันก็มีมีองค์ประกอบนบางทีคนประกอบการค้าขายเขาอาจจะมีปัญหาข้อนี้ เ, นเคยมาถามบ่อยเหมือนกันเนี่ย นี่ถ้าเราเข้าใจองค์ประกอบแล้วก็จะสบายใจเนี่ยเพราะว่าคนค้าขายกับคนซื้อก็ยังเข้าใจกันอยู่แล้วเนี่ยคนขายก็ต้องหวังเอากำไรเนี่ยคนซื้อก็อยากได้ถูกๆก็มีการต่อรองกันเนี่ยแต่องค์ประกอบก็คือจะให้เขาเชื่อไม่มีใครเชื่อนคนซื้อบอกเขาก็ไม่เชื่อหรอก เ, เขาไม่เชื่ออยู่แล้วนย ถ้าเป็นการค้าขายนี่ถ้าอยากสบายใจนิดหนึ่งคนขายก็ไม่ได้เอากำไรมากมายเราก็ได้บ้างกำไรเอาพออยู่ได้อย่างนี้ก็สบายใจกว่าเนี่ยพอย่างไงเขาก็ไม่เชื่อว่าเราไม่เอากำไรอยู่แล้วละเนี่ยแต่การซื้อการขายมันก็เลยไม่เข้าในองค์ประกอบเนห้าการดื่มสุราเมรยัยบางศ า, านสนาเช่นศาสนาคริส ไม่ห้ามการดืม่มโซราฝรั่งที่นับถือาศาสนาคริสต์บางชาติจึงดื่มสุราอ่อนๆแทนน้ําเช่นชาวฝรั่งเศสดื่มเหล้าแดงแทนน้าหลังอาหารเด็กอายุ78เดือนเขาเอาก้อนน้ําตาลปอนก้อนเล็กๆจุ่มเหล้าให้ดูดคงจะเป็นประเทศหนาวเหล้าอางุ่นหรือเหล้าอ่อนๆช่วยให้หายหนาวได้บ้างพเพราะเหล้าไปทําความอบปุ่นให้ร่างกายทางพุทธศาสนาถือว่าสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท การดื่มสุราจนเมาเรียกว่าดื่มจนเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสติสัมปชัญญะขาดลอยไปทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวแม้จะดื่มน้อยๆไม่ถึงกับเมาแต่ถ้าดื่มทุกวันก็ไม่ดีทำให้ติดสุราและเป็นโรคพิษสุราเรือรังได้ด้วยคนสมัยใหม่เห็นว่าการดื่มสุราบ้างเป็นครั้งคราวในหมู่เพื่อนฝูงหรือในงานสังคมไม่เป็นการเสียหายเป็นการเชื่อมไมตรีให้แน่นแฟน้น และทำให้งานคลึกครื้นสนุกสนานไม่กล่อยอย่างไรก็ตามการดื่มสุราเมรายนั้นถ้าดื่มจนเมามาอยู่เสมอหรือดื่มเป็นประจำย่อมจะมีโทษหลายสถานอย่างแน่นอนอย่างน้อยหกอย่างดังนี้หนึ่งเสียทรัพย์โดยใช่เหตุคือในเหตุอันไม่ควรสองอาจก่อการทะเลาะวิวาทสามเกิดโรควงเล็บเช่นโรคตับแข็งโรคพิษสุราเรื้อรัง สต้องถูกติเตียนจากบัณฑิต 5. ทําให้ขาดความละอาย 6. ทอนกาลังสติปัญญาสุรามีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผู้ดื่มและชนิดของสุราถ้าสุราชนิดแรงและผู้ดื่มดื่มมากก็มีโทษมากถ้าสุราชนิดอ่อนและผู้ดื่มดื่มน้อยก็มีโทษน้อยนอกจากนี้กาละเทศะในการดื่มก็มีความสําคัญมากเหมือนกันการดื่มผิดกาละเทศะทําให้เป็นที่ดูหมิ่นและถูกติเตียนมาก การดื่มสุราเมรัยไม่องค์3คือ 1. สิ่งนั้นเป็นสุราเมรยัย 2. รู้ว่าเป็นสุราเมรยัยสดืม่มทั้งทั้งที่รู้นั้นในกรณีที่ถูกบังคับให้ดื่มข้าพาเจ้าชื่อว่าศีลไม่ขาดเพราะไม่มีเจตนานอกจากถูกบังคับในตอนแรกแต่พอใจในการดื่มในระยะต่อมาศีล ย, ย่อมขาดเป็นธรรมดาเรื่องสุราเมรัยนี้การดื่มมากหรือน้อยกาละเทสะในการดื่มมีความสาคัญมาก ศีลทุกข้อมีความสำคัญและรักษายากเท่าๆกันแล้วแต่แต่ละบุคคลบางคนรักษายากในบางข้อรักษาง่ายในบางข้อการประพฤติล่วงศีลห้าหนึ่งเนืองรหรือประจำท่านว่าเป็นการขุดรากของตนกลาวคือพื้นฐานคุณธรรมของตนเหมือนต้นไม้ที่รากผุแล้วย่อมทรงตัวอยู่ไม่ได้ความไม่สำรวมในศีลเป็นบาปธรรมอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเตือนว่า อย่ากให้ความโลภและอาธรรมย่ำยีท่านเพื่อความทุกข์ตลอดกาลเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบอุบาสกห้าคนมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ความว่าอุบาสกหคนนั้นคนหนึ่งรักษาสิกขาบท 1. ส่วนอีกสคนก็รักษาคนละสิกขาบทและเถียงกันว่าเราย่อมทํากรรมที่ทำได้ยากรักษาสิกขาบทที่รักษาได้ยากกว่าคนอื่น เขาทั้งหมดพากันไปเฝ้าพระาศาสดาทูลให้ทราบถึงเรื่องที่เถียงกันพระพุทธองค์ตรัส ว, ว่าศีลทุกข้อรักษายากทั้งนั้นแหละดังนี้แล้วทรงภาสิทธิ์พระคาถาดังที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นแล้วว่าแต่เป็นภาษาที่เราศึกษามาแล้วนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาอุบาสกทั้งห้าคนได้บรรลุโสดาปติผล แต่ว่าข้อไหนสําคัญก็สําคัญทุกข้อพอๆกันว่างั้นแต่จะว่าข้อนี้ดีกว่าข้อนั้นก็ไม่ได้เนี่ถ้าพูดถึงโทษมันก็มีโทษ เ, เ, เชื่อมโยงไปหากันได้หมดเหมือนกันนี่ถ้าพูดถึงขุนก็คุนเชื่อมโยงไปหากันได้หมดนี่ยศีล เ, เนี่ยจะว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ดีองค์ประกอบก็สําคัญนะอย่างสุ ร, รานี่ก็เหมือนกนันเคยเอามาเล่าอยู่บ่อยว่าที่ พุทธศาสนานี้ท่านห้ามเด็ดขาดแม้นิดหน่อยเนี่ยก็ไม่ให้ประมาทดังที่พุทธภาสิทธที่ว่าให้เห็นโทษแม้มีประมาณน้อยแล้วก็อย่าประมาทในโทษว่าน้อยและอย่าประมาทในความดีว่าน้อยนี่ก็จะเห็นว่าคําสอนที่เป็นพุทธภาสิทธินี้สนับสนุนอยู่แล้วบางทีเราจะคิดว่าน้อย แต่วิสัยของปุถุชนวิสัยของคนมีกิเลสเนี่ยน้อยถ้าบ่อยๆมันมากเลยไม่รู้ตัวมันค่อยมากขึ้นมากขึ้นเจ้าตัวก็ไม่รู้ละแต่มันมากขึ้นเองถ้าทําไปบ่อยนะเนี่ยมันก็มากขึ้นเองมันเคยทําให้เสียคนมาแล้วอยู่ที่บ้านเคยมีเคยเล่าให้ฟังว่าท่านไปบวชจนเป็นรองเจ้าคณะอำเภอแล้วแต่ว่าไปติดยาดองเขายาดอง ขันเพื่อให้มันกระชุ่มกระชวยรักษาให้สุขภาพร่างกายของเหมือนเมืองหนาวดื่มวายให้มันร้อนทํานองนี้แหละเนีเพราะเอาใบบ่อยเข้าเนี่ยต้นเองก็ไม่รู้นะเมื่อมากเข้ากลิ่นมันก็ออกเนีเวลาโยมไปทําบุญเอ๊ะทำไมหลวงพอมีกลิ่นกลิ่นหน่อยกลิ่นเหล้านี่แต่มาฉันยุฉันยาดองเฉยเฉยฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ดื่มเหล้าเหมือนไม่ใช่แล้วเอาไปยามามันไม่ไหวเนี่ยมันกลายเป็น ตัวเองไม่รู้สึกเลยใครไปก็เหมนเล่าเมนเล่านะสุดท้ายก็เกิดเรื่องจนได้สึกเลยนะี่นี่นั่นก็คือจากน้อยไปหามากเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงๆที่เราได้เห็นเลยนะั้นก็เข้ากับข้อที่ว่าอย่าประมาทว่าเล็กน้อยนะี่ยเพราะเราก็เชื่อใจเราไม่ได้เหมือนกันนะข้อข้อที่แปดให้ตามศรัทธานะีพระพุทธภาสิทธะ ท่าธาติเวยถาสัทธังยะถาปัสสะทนังชนโนตัทโยมังกุโตโหติปเรสังปานโภชเนณโสทิวาวารัติิงวาสมาทิงอธิคัจติยัสเจตังสมุติฉินหนังมูลคัจฉังสมูหตังสเวทิวาวารัติิงวาสมาทิงอธิคัจติ แปลว่าชนย่อมให้ทานตามศรัทธาหรือความเลื่อมใสของตนผู้ใดย่อมเกืเ้อเคนวงเล็บคือไม่ทําตนให้พอใจในข้าวและน้ําของผู้อื่นวงเล็บเท่าที่เขาให้ผู้นั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนอาการเช่นนั้นท่านผู้ใดตัดขาดแล้วถอนขึ้นทําให้สิ้นรากแล้วผู้นั้นย่อมพบสมาธิทั้งกลางวันและกลางคืน การถวายปัจจัยสี่แก่ภิกษุสามเณรสมณพราหมนาจารย์หรือการสมเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนฝูงบริวารชนนั้นบุคคลย่อมทำตามศรัทธาตามความเลื่อมใสของตนนอกจากนี้ทยธรรมก็เป็นส่วนสำคัญมากคือบางคนมีศรัทธามากแต่ทยธรรมมีน้อยก็ย่อมต้องให้น้อยคือไม่สามารถจะให้มากได้บางคนมีทยธรรมมากมีของมากแต่ศรัทธาเลื่อมใสมีน้อยก็ให้มากไม่ได้เหมือนกัน บางคนศรัทธาก็น้อยของก็มีน้อยก็ต้องให้น้อยอยู่นั่นเองส่วนคนที่จะให้มากได้ก็ต่อเมื่อศรัทธามากด้วยมีของอยู่มากด้วยให้ไปแล้วตนก็ไม่เดือดร้อนการให้ทานนั้นส่งสอนว่าต้องไม่ให้กระทบตนคือไม่ถึงกับทําให้ตนเดือดร้อนและไม่กระทบผู้อื่นคือไม่ทําเพื่อคมผู้อื่นแต่ควรทําเพื่อบูชาคุณท่านผู้มีคุณ สงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านผู้ควรได้รับการสงเคราะห์อนุเคราะห์เช่นนั้นไม่ทำเพื่อเอาหน้าเพราะการทำเช่นนั้นก่อให้เกิดการแข่งดีและเดือดร้อนแก่ตนเองหรือคิดหาทางกำจัดผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นเหตุก่อความทะเลาะวิวาทและเบียดเบียนกันผู้ใดไม่พอใจในข้าวน้ําที่คนอื่นให้ย่อมเดือดร้อนเองไม่สามารถทาใจให้สบายมีความสุขได้ ใจที่ขาดความสุขย่อมไม่อาจบรรลุสมาธิได้เลยบางคนเขาให้น้อยไปก็ติเตียนว่าให้ไม่พอกินเขาให้มากไปก็ติเตียนว่าให้จนกินไม่หมดเสียข้าวของโดยใช่เหตุเขาให้ของไม่ดีก็ติเตียนให้ของดีก็ติเตียนว่าดีเกินไปมนุษย์ใช้ของอะไรกินของอะไรวิเศษถึงป่านนี้ดังนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนเลี้ยงยากและอัธยาศัยไม่ดี ส่วนอัธย า, าศัยดีและเป็นคนเลี้ยงง่ายนั้นเขาให้อย่างไรก็พอใจอย่างนั้นกล่าวสรรเสริญคุณแห่งของที่เขาให้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ให้สมดังคำว่าผู้ให้ย่อมบันเทิงด้วยการให้ส่วนผู้รับย่อมให้ความสุขแก่ผู้ให้ด้วยการกล่าวคำน่ารักคือปิยะวาจาการให้เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทุกสังคมทุกชาติยอมรับว่าเป็นความดี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 ถ้าอุปการะถูกคนเลวเขาจะใช้ความเร็วมาเป็นโทษแก่ผู้อุปการะทํานองเดียวกับที่ชาวนาช่วยเหลืองูเห่าพอมันฟื้นขึ้นมามันก็กัดชาวนาที่ช่วยเหลือมันถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะรู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าคนที่เราไม่เคยอุปการะทําให้เราเสียอีกการทําความดีจึงไม่ใช่ของง่ายต้องทําด้วยความฉลาดเหมือนกันถ้าทำไม่เป็นจะกลายเป็นทําคุณบูชาโทษ โรดสัตย์ได้บาปในการทำความดีเปนอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือความริษยาจากคนอื่นบวงเล็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิดที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนั่นเองเข้าทำนองที่พระนะท่านหลวงวิจิตวาทการได้กล่าวไว้ว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่พอเด่นขึ้นทุกทีเขามันไสจงทาดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน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 มนุษย์เรานี่ก็แปลกเมื่อเขายังไม่ดีหรือไม่ค่อยดีก็อยากให้เขาดีแต่เมื่อเขาดีขึ้นมาจริงๆหรือดีเกินหน้าตนไปก็มัริษยาเขาหาทางกำจัดคุณความดีของเขาถ้าเขาไม่ดีก็ตำหนิติเตียนเขาต่างๆนานาพอเขาดีเด่นขึ้นมาก็ติเตียนเขาอีกประการหลังนี้มักเกิดจากความริดยาอย่างไรก็ตามขอร้องว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็ขอให้ทาความดีเข้าไว้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 หรือเพื่อให้ได้หน้าได้ตาโดยการเบียดเบียนหรือใส่ร้ายผู้อื่นคยออย่เยียบผู้อื่นขึ้นไปทำอย่างนั้นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินพระาศาสดาตรัทะทะทะสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุหนุ่มชื่อติดสะมีเรื่องย่อดังนี้พระติดสะนั้นเที่ยวติเตียนทานของชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปหมด แม้ทานของท่านอนาถบินิกะเศรษฐีของนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านก็ติเตียนอสัทิสฐานคือทานที่ไม่มีทานอื่นเสมอเหมือนของพระเจ้าพระเศที่โกศลก็ไม่พ้นจากการทุติเตียนของพระติสะเมื่อได้ของเย็นก็ไม่พอใจได้ของร้อนก็ไม่พอใจติเตียนไปหมดเมื่อได้ของน้อยก็ติเตียนว่า ให้เหมือนไม่เต็มใจให้ตรนีเมื่อได้ของมากก็ตำหนิติคนให้ว่าในเรือนของคนพวกนี้ไม่มีที่เก็บกระมังความจริงควรให้ปัจจัยแก่ภิกษุเพียงพออย่างอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นของอันมากมายเหล่านี้ต้องวิบัติไปไรประโยชน์แต่พอปรารบถึงทานในตระกูลของท่านแล้วก็ชมเชยไม่หยุดหย่อนเป็นต้นว่าหน้าชมเชยจริงเรือนของพวกญาติของเราเป็นโรงเลี้ยงภิกษุทั้งหลาย ผู้มาจากทิศ ท, ทั้งสี่ความจริงพระติสนั้นไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่โตอะไรเป็นเพียงบุตรผู้รักษาประตูคนหนึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้ผู้ท่องเที่ยวไปในชนบทถึงนครสาบทีแล้วติสษะจึงขอบวชภิกษุทั้งหลายเห็นและได้ฟังพระติสะเที่ยว ต, ติเตียนทานของคนทั้งหลายไม่หยุดย่อนคงจะเกิดมันไซขึ้นมา อยากจะสอบสวนดูจึงถามถึงบ้านญาติของพระติสาว่าอยู่ที่ใดเมื่อทราบแล้วได้ส่งภิกษุไปสองสามรูปภิกษุสองสามรูปนั้นไปสืบดูในหมู่บ้านที่พระติศาอ้างถึงแต่ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักพระติสะเลยในที่สุดได้ความจากชาวบ้านแถบนั้นว่าพระติศะเป็นลูกชายของคนเฝ้าประตูคนหนึ่งซึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้ทราบข่าวว่าไปบวชอยู่ที่เมืองสาวัตถี ภิกษุสอมรูปนั้นทราบความแล้วกลับมาเมืองสาวัตถีแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพฤติการทั้งปวงของพระติสสะให้พระตถาคตทรงทราบพระตถาคตตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อติสสะเที่ยว โ, อ, โ อ, อวดในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เป็นผู้มักอวดแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสกตาหกชาดกความว่าพระติสสะสมัยเป็นนาย กตาหากะไปสู่ที่ต่างๆเที่ยวพูดอวดถึงทรัพย์สมบัติมากมายนายตามมาจึงได้รู้ว่าที่แท้นายกตาหากะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเป็นต้นพระทศพลตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเมื่อชนทั้งหลายให้วัตถุมากบ้างน้อยบ้างเศร้ามองบ้างประณีตบ้างแก่ภิกษุอื่นไม่ให้แก่ตนภิกษุนั้นเป็นผู้เก้อเขิน ฌานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมรรคและผลก็ดีย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนั้นดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมด้วยพระคาถาซึ่งยกขึ้นไวนะ้ณเบื้องต้นนั้นว่าบุคคลย่อมให้ตามศรัทธาตามความเลื่อมใสของตนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรนามาแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นข้อคิดที่ดีนี่ดังที่กล่าวแล้วว่าพูดถึงกิเลสเนี่ย มันไม่เลือกการเลือกสมัยมีมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยพุทธเจ้าก็ยังมีสมัยเราก็ยิ่งจะมากกว่านั้นนะเนาะดังนั้นเมื่อเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นครูก็แล้วกันเนีเราไม่สามารถที่จะขัดจัดได้จริงๆทําไม่ได้จริงๆนะนี่ก็อย่างน้อยถือว่าเป็นครูย้อนสอนเข้ามาหาตนเองเนี่ยตรวจดูตนเองทําตนเองให้ดีเท่านั้นแหละเนี่ยถ้าตนเองดีแล้วเนี่ยพระองค์ส่ง พอพระไทยเนี่นี่ศาสนาเจริญไงก็คือเจริญ จ, จากคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้อาศัยได้หลายคนทีเดียวเราเกิดจากคนคนเดียวเหมือนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เดียวท่านั้นก็เป็นประโยชน์แก่โลกเนี่ยมากมายเนี่ยฉะนั้นการสร้างประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นได้เนี่ยดีกว่าที่เราจะมัวไปมองดูเรื่องของคนอื่นเนี่ยเรื่องคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยดีก็ดีของเขาชั่วก็ชั่วของเขาเนี่ย แต่ว่าคนฉลาดย่อมมองดูความดีของเขาความชั่ยวของเขาเพื่อมาเตือนเราเนี่ยเพื่ออหไรเราจะได้ปรับปรุงนอะไรที่มันไม่ดีเราก็จะจัดการให้มันดีขึ้นมาได้โดยอาศัยการได้เห็นบุคคลอื่นนี่เป็นครูเป็นอาจารย์ 9. ไฟราคะพระพุทธพาสิทธิราคะสโมอักขิัติโทสะสโมขหโหนติโมหะ สมังชาลังนติตันหาสมาณทีนี่แปลว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีขายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีนี่ภาสิตนีใ น, นัก ร, รมจันตรีนะได้สี่ภาษิตนี้ก็สบายแล้ว ในคำภีทางาศาสนาแสดงไฟไว้ไหลายอย่างเช่นไฟธรรมดาซึ่งเกิดจากเชื้อมีไม้เป็นต้นไฟดวงใหญ่คือดวงอาทิตย์ไฟคือทักขิเนยะบุคคลหรืออาหุเนยะบุคคลภาษาบาลีว่าอาหูเนยะคักยักคิได้แก่ท่านผู้มีคุณอันควรบูชาใครทำดีก็ให้คุณใครร่วงละเมิดปฏิบตัติต่อท่านเหล่านั้นก็ได้รับโทษโดยกฎแห่งกรรม ไฟคือคหบดีคหปตคิได้แก่คนที่อยู่รอบตัวเรากล่าวคือพวกพ้องมิตรสหายสามีภรรยาบริวารชนใครปฏิบัติชอบต่อคนเหล่านี้ก็บังเกิดคุณแก่ตนใครปฏิบัติผิดก็บังเกิดโทษไฟสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือราคะเรียกว่าราคคิบรรดาไฟทั้งหลายที่กล่าวมาพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าไฟคือราคะแรงที่สุด ไม่มีไฟใดเสมอเหมือนเพราะเผาไหมใจคนอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่มีควันและไร้แสงแต่มีความรุนแรงในการเผามิใช่น้อยไม่เผาแต่เพียงชาติเดียวเท่านั้นแต่ตามเผาอยู่ตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในวะัฏะสงสารจนกว่าจะชนะมันได้แล้วเข้าสู่แดนอมตะมหานฤพานความยุ่งยากลำบากของมนุษยชาติและสัตวโลกทั้งมวล ถ้าเราสังเกตด้วยวิจารณญาณจะเห็นว่าเกิดจากไฟคือราคะเป็นส่วนใหญ่คนไม่มีราคะดวงใจสงบเย็นไม่ต้องวุ่นวายกับโลกิยารมรัชนยารมไม่คล้องแวะด้วยลาบยศสรรเสริญความวุ่นวายในใจก็ไม่มีไม่ถูกไฟเผาไม่ร้อนเมื่อมีกิเลสราคะความเดือดร้อนอย่างอื่นก็ตามมันมาเป็นแถวแนว ต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากินเลี้ยงตนเองครอบครัวบุตรภรรยาหรือสามีบริวารชนก็เพราะมีการตั้งบ้านตั้งเรือนข้าราชการผู้ครองเรือนมีรายจ่ายรอบด้านต้องเลี้ยงตนเองบุตรภรรยาญาติสนิทมิตรสหายให้สมควรแก่กำลังต้องบำบัดอันตรายที่เกิดจากเหตุต่างๆมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้น ต้องทำพรีห้าอย่างคือสองเคราะห์ญาติต้อนรับแขกทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเสียภาษีอากรทำบุญอุทิศให้เทวดาต้องหาเงินไว้เพื่อสร้างฐานะให้มั่นคงและสร้างไว้เพื่อมอบเป็นประดกให้ลูกหลานเรื่องทั้งหมดนี้มีราคะเป็นเหตุเป็นปัจจัยผู้ประพฤติพรมจรรย์ออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนไม่ต้องลำบากกับปัญหาเหล่านี้ จิตใจไม่กังวลไม่กระหายกามมีความสงบร่มเย็นเป็นผลเป็นกำไรของชีวิตในอาทิตตะปริยายสูตรทรงแสดงว่าสิ่งทั้งปวงคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐะและธรรมารมเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะและโมหะร้อนเพราะชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกขโท ม, มานัและอุปาญาต รวมความว่าร้อนเพราะเพลิงกิเลสหนึ่งร้อนเพราะเพลิงทุกหนึ่งข้อว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีความว่าผู้จับอย่างอื่นชนิดอื่นเช่นยักษ์โจรหรืองูเหลือมจระเข้เป็นต้นเมื่อจับแล้วทําอันตรายแก่ผู้ตกจับก็ทําได้เพียงอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ผู้จับคือโทสะเมื่อจับใครแล้วก็เที่ยวติดตามอยู่นานเท่านานจนกว่าจะได้บรรลุมรรคผล เป็นพระอนาคามีเป็นอย่างน้อยมันจับจิตอยู่ทำให้จิตโศกปลุกและร้อนเป็นพันชาติแสนชาติอีกอย่างหนึ่งพระโทสะเป็นเหตุคนจึงทำอกุศลกรรมต่างๆอันหยาบเช่นการเบียดเบียนฆ่าฟันประหัตประหารเพราะการประหัตประหารเป็นต้นนั้นเป็นเหตุผู้ทำต้องถูกจองจําทำโทษเช่นการติดคุกติดตารางในปัจจุบันและการต้องรับโทษในนรกในชาติหน้า คนมีโทสะอาจทำอันตรายแก่ผู้มีคุณเช่นมารดาบิดาเป็นต้นได้เพราะการทำร้ายผู้มีพระคุณนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เป็นผู้ต้องได้รับโทษนานาประการบุคคลผู้มีโทสะเป็นเจ้าเรือนเท่ากับเก็บผู้จับไว้กับตนให้ตนถูกจับอยู่ตลอดเวลาพบแต่ความอึดอัดราคาญหาความปลอดโปร่งไม่ได้ <S <S เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตัดว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มี ข้อว่าขายเสมอด้วยโมหะไม่มีนั้นอธิบายว่าขายธรรมดาอันเขามีไว้สําหรับดักปลาดักนกหรือขังนกไว้นั้นทําด้วยลวดบ้างเหล็กบ้างทําด้วยไม้บ้างรวมความว่าอุปกรณ์เครื่องดักเครื่องขังทั้งปวงท่านเรียกว่าขายในที่นี้ขายพวกนั้นทําลายได้ง่ายสัตว์มีโอกาสหลุดพ้นจากขายไปได้บ้างส่วนขายคือโมหะนั้นขังสัตว์ไว้ในภพได้นานกว่าขายภายนอก ทำให้สัตว์มีอาการมืดมนทางใจหาทางออกจากพบไม่ได้จนกว่าจะทำลายขายคือโมหะเสียได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตัดว่าขายเสมอด้วยโมหะไม่มีข้อว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัญหาไม่มีนั้นอธิบายว่าแม่น้ำธรรมดายังมีเวลาเต็มเวลาพร่องคือเต็มในหน้าน้ำและพร่องในหน้าแง้งแต่ตันหาของคนหาเวลาพร่องได้ยากมันเต็มอยู่เสมอ คือไม่รู้จักพอได้เท่านั้นแล้วยังอยากได้เท่านนู้นได้เท่านานู้นแล้วยังอยากได้เท่านี้ต่อไปอีกไม่ค่อยมีที่สิ้นสุดตัณหาในกามเรียกว่ากามตัณหาตัณหาในภ พ, พเรียกว่าภาวะตัณหาตัณหาในอรูปภพเรียกว่าวิภวะตัณหาอีกอย่างหนึง่งคนเรามีอาการที่อยากคืออยากได้อยากมีอยากเป็นและอยากไม่มีไม่เป็นสิ่งใดยังไม่ได้ก็ oh อยากได้สิ่งใด ยังไม่เป็นก็ใคร่เป็นพอได้แล้วเป็นแล้วได้เห็นโทษของความมีความเป็นซึ่งเจืออยู่ในสิ่งที่ได้มาและเป็นแล้วนั้ น, น, นก็อยากจะละอยากจะทิ้งต่อไปอาการอึดอัดรัดเกืองก็เกิดตามความอยากละอยากทิ้งแต่ทิ้งไม่ได้เพราะความจำเป็นอย่างอื่นบังคับชีวิตอยู่อย่างนี้เองน่าจะเป็นอาการของวิภวตัญหาได้ตราบใดที่ยังมีตัญหาสามอยู่ตราบนั้นบุคคลย่อมไม่มีอิสระจากทุก เพราะตัญหาเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตามนยะแห่งอริยสัจการละตัญหาได้เป็นชัยชนะอันสูงสุดของมนุษย์เรื่องนี้พระศ า, ศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวทีทรงปรารบอุบาสกห้าคนมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้อุบาสกห้าคนไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งนั่งหลับคนหนึ่งนั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือ คนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่งนั่งแงนหน้ามองดูอากาศอีกคนหนึ่งนั่งฟังธรรมโดยเคารพพระอานนทเถระซึ่งนั่งถวายงานพัดอยู่เห็นอาการของอุบาสกทั้งห้านั้นแล้วทูลพระศ า, ศาสดาว่าข้าแต่พระองค์เมื่อพระองค์แสดงธรรมประดุษมหาเมฆคำรนอยู่อุบาสกเหล่านี้นั่งฟังด้วยอาการต่างๆอย่างนี้อย่างนี้ เธอรู้จักอุบาสกพวกนี้หรืออานน์ไม่รู้จักพระเจ้าข่าพระอาโนนทูลตอบพระศาสดาได้ตรัสเล่าอาดีตชีวิตของอุบาสกเหล่านั้นว่าอุบาสกคนที่นั่งหลับนั้นเคยเกิดเป็นงูมาห้าร้อยชาติ <c oughs> ระหว่งนะี <c> ่ย <oughs> น, นั่งหลับเป็นงูห้าร้อยชาติแม้บัดนี้ก็ยังไม่อิ่มด้วยความหลับอย่างนั้นพระอาโนนทูลถามว่าพระองค์ตรัสโดยลําดับหรือว่าตรัสเป็นตอ น, ตอน องเล็บคือเขาเกิดเป็นงูมา500ชาติโดยลําดับติดต่อกันหรือว่าเกิดเป็นงูบ้างเกิดเป็นอย่างอื่นบ้างสลับกันไปแต่ที่เกิดเป็นงูแล้วรวมได้500ชาติพระาศาสดาตัดต่อว่าที่เขาเกิดเป็นอย่างอื่นในระหว่างระหว่างเช่นเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทพบ้างเป็นนาคบ้างตามการอันสมควรแก่กรรมนั้นแม้สรรพยุติ ย, ยานก็กําหนดได้ยากแต่ที่เกิดเป็นงูมา500ชาตินี้ติดต่อกันโดยลําดับจึงไม่อิ่มด้วยการหลับ การสร้างเป็นอุปนิสัยปัจจัยส่วนอุบาสกผู้นั่งเขียนแผ่นดินนั้นเคยเกิดเป็นไส้เดือนมา500ชาติบัดนี้ก็ยังไม่อิ่มด้วยความประพฤติที่ประพฤติมาเป็นเวลาช้านานบุรุษผู้นั่งเขย่าต้นไม้อยู่นั้นเคยเกิดเป็นลิงมา500้อชาติโดยลำดับพราหม์ผู้นั่งแงนหน้ามองดูอากาศนั้นเคยเกิดเป็นหมอบอกเลิกยามมา500้ชาติ ส่วนอุบาสกผู้นั่งฟังธรรมโดยเคารพนั้นเคยเกิดเป็นพรามผู้ท่องมนมาห้าร้อยชาติจบไตรเพศมาห้าร้อยชาติถึงบัดนี้ก็ย่อมฟังธรรมโดยเคารพเป็นดังเทียบเคียงมนอยู่พระอานนทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทะกอวัยวะทั้งหลายมีผิวหนังเป็นต้นจนจรดเยื่อในกระดูกแต่เพราะเหตุไรอุบาสกเหล่านั้น แม้พระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ก็ไม่ฟังโดยเคารพอานนท์เธอคิดว่าธรรมของเราฟังได้ง่ายนักหรือข้าแต่พระองค์ธรรมเทศนาของพระองค์ฟังได้ยากหรืออย่างนั้นอานนท์เพราะเหตุไรพระเจ้าข้าอานนท์คำว่าพุทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีอันสัตว์เหล่านี้ไม่เคยฟังแล้วตลอดแสนกับ เพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงไม่สามารถฟังธรรมได้แต่ในสังสารวัตรอันยาวนานนี้สัตว์ทั้งหลายได้ฟังแต่ติระฉานกถาต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงเที่ยวฟ้อนรำขับร้องอยู่ในที่ทั้งหลายมีโรงดื่มสุราและสนามเล่นเป็นต้นไม่อาจฟังธรรมได้ข้าแต่พระองค์อุบาสกห้าคนนั้นอาศัยอะไรจึงไม่สามารถฟังธรรมได้ อานนุบาศกห้าคนนั้นอาศัยราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างตัณหาบ้า ง, าางจึงไม่สามารถฟังธรรมขึ้นชื่อว่าไฟเช่นกับไฟคือราคะย่อมไม่มีแม้ไฟบรรลัยกันยังกลับให้พินาศเพราะการปรากฏขึ้นแห่งพระอาทิตย์เจ็ดดวงไม่โลกไม่ให้วัตถุใดๆเหลืออยู่เลยแต่ไฟนั้นก็ไม่เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นแต่การที่ไฟคือราคะ ไม่ไม่ย่อมไม่มีพระธาคตตัดดังนี้แล้วจึงตัดพระคาถาว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีมีนยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาอุบาสกผู้ตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลายังธรรมกถาสาธายสมันเตหิสันละเกตัปภาติ กเนาะนี่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าแหละธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายนี่แม้พระองค์เองก็ตัดว่าไม่ใช่ที่ว่ามันไม่ใช่ง่าย น, นเพราะว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้ไม่เคยได้สะดับธรรมนี้เป็นหมื่นชาติแสนชาติมันยอยๆจะให้มาฟังธรรมเข้าใจเลยเป็นไปไม่ได้คงจะเข้าใจได้ยาก จะสมกับที่ท่านว่าคนที่เคยสั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อนนั่นก็คือเป็นอุปนิสัยปัจจัยนี่นี่บางคนเกิดมาก็สนใจเลยก็มีแสดงว่าทํามาเยอะมากนี่บางคนเกิดมาจนเท่าคนแก่แล้วพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยก็มีนี่มันพูดยางนะเรื่องนี้นี่แต่กรรมมันเหตุปัจจัยอะไรทั้งขาตัวเล็กเกเขาก็สามารถคิดได้ละ อันนี้มันเกินวิสัยเกินวิสัยของคนธรรมดาที่จะคิดได้เนี่ยจะเรียกว่ากรร ม, มวิบากก็ได้กรร ม, มวิบากนี่เป็นอ จ, จินไตเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้เนี่ยอาายอุปนิสัยบางคนเน่ยครูบาอาจารย์บางองนี้เกิดมาก็มาดีตลอดเนี่ยแล้วก็ฝากใยในทางกุศลตลอดฝากใยในทางธรรมะตลอดเนี่ยบางที ท่านท่องมนท่องจนคนที่ชอบท่องมนท่องบนเนี่ยเคยมั่นกันอาจจะอาศัยศรัทธาก็ไม่รู้ว่ามีศรัทธาปัจจุบันหรือศรัทธาตั้งแต่ก่อนมันสนับสนุนหรือเปล่าก็ไม่รู้เราคิดว่าออไม่ได้เคยท่องภาษาบาลีอะไรนะแต่บางทีเวลาเราท่องท่องด้วยใจท่องด้วยความตั้งใจด้วยความศรัทธาบางทีฝันมันก็ท่องเนี่ย ฝันมันก็ท่องอย่างสวดปติโมกเรียนปาติโมกเนี่ยเรียนจนกระทั่งฝันฝันสวดอยู่ในฝันเลยเนี่ยนี่ก็เป็นข้อบ่งบอกในหะ้ถึงความเอาใจใส่เอาใจจดจ่อนี่ยจะเรียกว่าใจมันไม่พอกแวกไปที่อื่นมันจดจ่ออยู่ในเรื่องเดียวนี่ยมันก็ะทังว่าจับไปฝันได้เหมือนกันเนี่มีครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านท่านสิ้นไปแล้วนะ พระมาเทะเนี่ยท่านว่าท่านได้ปาฏิโมกข์พอฝันแปลกเดียวกันเนี่ยไม่นอนหลับฝันเราเนะี่ยไม่ทำาไ้ท่องยากเหมือนเราเนะี่ยออ น, นอนก็เป็นสมาธิแล้วของเก่ามันมีก็ว่าไปอ อ, อย่างนั้นก็มีเหมือนกันเนะี่ยมันมีหรือบางคนท่องพอจับใจความได้นอนฝันแล้วก็ทวนอยู่ในฝันเนี่ยก็มีเนี่ย นี่นั่คือความตั้งใจนจะเรียกว่าทั้งของเก่าของใหม่มันมาผสมกันเนี่ยากรรมันหนึ่งก็ว่ากุศลกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนก็ก็มาสนับสนุนเนี่ยกุศลกรรมปัจจุบันก็ทำไม่หยุดเนี่ยมันก็เลยไม่ไม่มีช่องว่างไม่มีช่องว่างสำหรับอากุศลที่จะมาแทรกได้เนี่ยเพราะว่ากุศลที่ติดตามมาก็ยังให้ ความบุพธรรมอยู่ตลอดแล้วการเดินไปข้างหน้ากุศลใหม่ก็ไม่ลดละก็ยังทำได้อยู่ตลอดไปเนี่ยแต่เมื่อว่าอย่างนี้ก็ง่ายอาจารพระุทธเจ้าเวลาพระองค์จะแสดงธรรมตัสรวยใหม่ถึงแยกแยกก่อนไงเนี่ยคนมันจะเข้าใจได้หรือทำเลยเราก็จะแสวงหาได้ใน5ปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เ, ยเมื่อนึกถึงปุถุชนในคนที่เกือกกล้วยอยู่กับ กามหรือกิเลสกามทั้งหลายเนี่ยอยู่ๆจะให้เข้ามาเข้าใจธรรมะลึกซึ้งอย่างนี้มันคนเป็นไปได้ยากเนี่ยนีย่ก็จนไม่อยากจะสอนเลยว่างั้นเลยนียนย่แต่ด้วยพระปัญญาคุณพระมาหากรุณาที่คุณนี่มีก็เลยเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเนี่ยคนนี้มืนวาสนาบา ร, รมีไม่เหมือนกันเนี่ยจึงอุมามาเหมือนบัวไงเนี่ย อาจารย์ว่าสีนา บ, บัวสามเหล่าสีเหล่าไม่มี <c oughs> ก็แล้วแต่เนาะสมมุตินี่สามเหล่าสีเหล่าได้สมมุติได้สมจริงก็ใช้ได้ <c oughs> ใช้ได้เหมือนกันแต่อันนั้นอ้างอิงตามหลักวิชาการไม่มีในตำราเนี่ยแต่ธรรมะนอกตำราก็มีเหมือนกันเนี่ยอยากลองพูชาท่านว่าธรรมะธรรมะมไปคนในพระไตรปิฎกไม่เจอแต่ก็อยู่ในพระไตรปิฎกฟ <c oughs> ูดไอคิดเนี่ย องค์ก็เห็นว่าเออคนไม่เหมือนกันจำแนกก็จำแนกการจำแนกก็เป็นการอธิบายความก็เลยแต่ก็ได้ใจความทั้งหมดนี่ก็เลยเห็นเห็นอุปนิสัยปัจจัยเพราะความไม่เท่ากันของคนคนที่สอนไม่ได้ก็เป็นเรื่องของสอนไม่ได้เป็นเรื่องกรรมเขาเราก็ไม่ต้องเอาก็โยนทิ้งก็ได้เนี่ยคนที่พอสอนได้ก็มียากน้อยก็มีง่ายบ้างยากบ้างก็มี คนง่ายมันก็ง่ายจริงๆนะพูดคำสองคาก็พอเข้าใจเนะี่ยบางคนก็ใช้เวลาพูดแล้วพูดอีกหลายวันหน่อยเนะี่ยบางคนก็หลายปี <c oughs> เราก็จะบางทีเกือบจะตายแล้วถึง <c oughs> แวบขึ้นมาว่านถึงแวบขึ้นมาไอตอนที่เราใช้เวลาโยมันไม่ยอมมันไม่เอานะจนใกล้จะตายเห็นทุกข์ล้วถึงแวบขึ้นมาหน่อยธรรมนะขนาดนั้นก็ยังมีนะ แต่มันก็ได้เหมือนกันแต่มันช้าหน่อยยากหน่อยเนี่ยนี่ยอาศัยอันนี้ก็เลยอ่ะนี่พระองค์มีพระเมตตาคุณเนี่ยแล้วนอกเหนือจากนั้นโอ้ยมันยากยากจะให้รู้ธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนี่ยนี่ยดีไหมที่ดันเปรียบเทียบเพียงแต่พุโทโธก็ไม่เคยได้ยินมันจะรู้ธรรมะได้อย่างไรธรรมโมธรรมะไม่เคยได้ยินเลสังขารไม่เคยได้ยินเลแล้วจะไปเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งได้อย่างไรนะ มันก็เป็นความจริงลักษณะนั้นดังนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ภพเพก迦ชตปุญญตาเนี่คนที่มีของเก่ามานะก็มีปัญญายุยปัจจัยเนี่ยอย่างเราทั้งหลายนี่ก็มีนะของเก่าถ้าไม่มีของเก่ามันก็ไม่ชักนํามานต้องมีเราไม่มาเองไม่สถัทามาเองก็มีของเก่าเชื่อมโยงมานีก็คือบางทีพ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิี่ไม่เป็นวิชชาทิฏฐิก็ดึงมาเนี่ย ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะถ้างั้นโอ้ยมันไม่ได้มาอยู่อย่างนี้แล้วไม่ได้มานั่งร่วมกันฟังธรรมสวดมนต์ร่วมกันอยู่อย่างนี้หลอกนะเนีมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อเนี่ไอ้บางคนจะว่าแต่อันนั้นเลยมเพียงแต่ได้ยินเขาไม่อยากเข้ามาแล้วเนะี่ยเหมือนโยมคนหนึ่งมาวันนั้นนะเป็นเพื่อนของพระเลยอ่โอ้ยแต่ก่อนมองพระเนะี่ยพระนี่ไรสาระก็บอ การมาบวชพระในไรสาระก็เข้ามาสารภาพมาแนละ้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะโอ้ยพระนี่เรื่องไรสาระเดินะมาบวชทำไมก็ไม่รู้ก็บอกบวชเล่นๆทํานองนะีคิดอย่างนี้นะเพิ่งจะรู้ก็บอกเพิ่งจะเข้าใจนะกําลังจะบอกเล่นๆก็มาลองดูสิ<笑><笑>เล่นเล่นจริงนะเข้าใจแล้วก็บอกเพิ่งเข้าใจก็บอกเพิ่งเข้าใจนี่มัน มันเรื่องทำความเปลี่ยนทางจิตใจมันจะเป็นเรื่องง่ายเสมอไหล่าโอ้โหกายก็ยากกันแล้วเรื่องวินัยเรื่องกายก็ยากพอแรงนะทำเป็นของละเอียดการที่จะละกิเลสภายในจิตใจมันยิ่งละเอียดมากกว่านั้นมันก็ยิ่งยากแน่นอนนะเอมันต้องมาขัดใจฝืนใจนจะว่าสบายเลย ก็เราอยู่ตามใจตัวเองได้ตลอดเนี่ยขนาดนั้นมันยังไม่ได้ตามใจเลยขนาดจะตามใจมันทุกอย่างมันยังไม่ได้ตามใจยังทุกอยู่เหมือนกันนะทีนี้พอมาขัดมันก็ยิ่งทุกข์มากกว่านั้นอีกแล้วเหมันถึงคิดเอาไม่ได้หรอกแต่ว่าอันหนึ่งสุขเพื่อทุกข์เคยพูดแล้วนียอันหนึ่งทุกข์เพื่อสุขใช่ไหมมันเป้าหมายเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต่างกันเนี่ ก็เป็นข้อคิดแล้วเอาไปคิดก็แล้วกันภาวนาเป็นคิดได้ก็เข้าใจทำได้อีกเยอะเลยาสามทุมกว่าเแล้วจะนี้ไายไป